พระอนุบัญญัติภิกษุต้องอาบัติปาจิตีเพราะฉันปรำพระโภชนานอกสมัยสมัยในข้อนั้นคือสมัยที่เป็นไข่สมัยที่ถวายจีวร น, นี้เป็นสมัยในข้อนั้นสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้